มีในสมัยหนึ่งในบุฟังที่ชมพูทวีปคือบริเวณประเทศอินเดียในปัจจุบันนี้มีอยู่ในสมัยหนึ่งที่มีข้าวยากหมากแพงคืออาหารหาได้ยากมีภัยแรงเกษตรกรรมนี่โอ้ฝืดเครื่องไปหมดฝนไม่ตกตามฤดูกาลน้ำก็ไม่มีทําการเกรษตรก็ได้ยากข้าวยากหมากแพง อาหารหายากในเป็นไปอย่างกว้างขวางไปหมดมีในสมัยหนึ่งที่เป็นอย่างนั้นในปีที่เป็นอย่างนี้ทั้งบุฟังภิกษุนี่ก็หาอาหารกันได้ยากจะบริหารกายด้วยการไปหาอาหารบินตาบาดเนี่ยก็เป็นไปได้ยากทั้งบุฟังมีหมู่ภิกษุที่อยู่ในลุ่มน้มามมนําวักคุมุธาเนี่ยมีแม่น้ําสายหนึ่งชื่อวักคุมุธาเนี่ย มู่พิสุที่อยู่ในที่นั้นก็ประสบญหานี้เหมือนกันนั่นคือเป็นไปอย่างกว้างขวางไปทั่วชมพูทวีปเลยภายแรงปีนั้นอดอยากแรงแค้นถึงขนาดว่าจะต้องมีใช้สลากในการซื้ออาหารคนไม่มีข้าวกินโรคภัยไข้เจ็บาตายกันเกลื่อนไปหมดพวกพิสุที่อยู่ในฝั่งแม่น้ำวักคุมุทาเนี่ยก็จึงมีความคิดกันว่าเอ เราจะทำกันอย่างไรถึงจะอยู่กันอย่างพร้อมเพรียงไม่ทะเลาะวิวาดกันแล้วก็อยู่จำปัญญากันอย่างผาสุกบินดาบาดก็ทำยังไงมันถึงจะไม่ลำบากประตอนนี้หาอาหารบินดาบาดนี่ก็ยากเหลือเกินแล้วก็มีภิกษุรูปหนึ่งในหมู่ภิกษุนั้นถี่มีความคิดว่าเอาท่างนี้เรามาช่วยกันทำงานของเครืหขัด แต่ถ้าเราช่วยกันทำงานของเกรืหัสเขาพอใจเราเขาก็จะมาถวายบิณฑบาตในพวกเรางานของเกรืหัสก็อย่างเช่นว่าทำไร่ทำนาทำสวนทำหัตถกรรมตัดผมหรือว่าทำอาชีพอย่างใดอย่างหนึ่งตั้งปูฟังที่จะเป็นลักษณะการงานของเกรืหัสก็มีเพื่อสุผู้หนึ่งเขามีความคิดว่าอย่างนี้สามัคคีกันทำพร้อมเรียงร่วมใจกันทา จะได้อยู่ในภาษากันอย่างมีผ้าสุกแล้วก็บินตบาดอาหารอะไรต่างๆก็จะได้ง่ายขึ้นประทมอาชีพกันส่วนภิกษุอีกรูปหนึ่งตะบะฝังในกลุ่มนั้นก็เสนอว่าโหมีทุกภิกษพัยเกิดขึ้นขนาดนี้จะทำมาหากินอะไรมันก็ฝืดเครื่องละเ อ, า, อางนี้แล้วกันไปเป็นทูตการเดินทางเป็นทูตนาข่าวสารให้พวกกระหัเนี่ยมันจะดีกว่า อาชีพบางทีมันทํายากถ้าเราเป็นทูตให้พวกฤาษีแล้วเขาพอใจเขาก็จะแบ่งปันอาหารให้พวกเราพวกพระเราก็จะมีความพร้อมเรียงกันมีอาหารกินมีความเป็นอยู่ภราสุขในภาษานี้พิสูรรูปที่สองเขก็มีความคิดพูดขึ้นอย่างนี้มีพิกษุอีกรูปหนึ่งทัพวังเป็นพวกที่สก็จึงเสนอในที่นั้นทัพวังบอกว่าโอ้ยเราจะต้องไปทํางาน เป็นอาชีพต่างๆหรือว่าทําหน้าที่ทูดเนี่ยมันก็ยังยากอยู่เอางี้ละกันเอาง่ายที่สุดน่ะเรามากล่าวอวดอุตริมรุสธรรมของกันและกันให้พวกครหัสเนี่เขารู้ว่าภิกษุรูปนูน้นได้ปตมมชานรูปนี้ได้ทุติยชานได้เป็นโสดาบันรูปนั้นเป็นสกทาคามี รูปนี้เป็นอนาคามีเป็นพระอรหันต์รูปนั้นได้วิชาสามรูปโน้นได้อภิญญาหกถ้าเรากล่าวอวดอุตริมนุษธรรมของกันและการอยู่อย่างนี้พวกกฤเนีเขาจะพอใจแล้วก็ให้อาหารบินดาบาดเราก็มีกินมีใช้อยู่กันพร้อมเปรียงไม่แตกแยกกันภาษานี้ก็จะผ่านไปได้อย่างสบายๆนั่นพิุรูปที่สามนี้เขา กีดว่าอย่างนี้ง่ายที่สุดและทัมโฟังไม่ต้องทำด้วยไม่ต้องเดินทางด้วยนั่นคือไม่ต้องทำงานช่วยกฤหัตต่างๆไม่ต้องเดินทางไปเป็นทูตแค่กล่าวอวดนี่มันง่ายมากน่ะก็จึงมีความเห็นตกลงกันว่าเออวิธีนี้มันดีแฮง่ายดีกล่าวอวดอุตริมนุษต ร, รมกรองกันและกันให้พวกกฤหัตฟังเนี่ยเขาศรัทธาแล้วก็จะได้ ให้ลาบปัจใจสีก็จะอยู่กันอย่างสบายๆพอคิดแผนตกลงกันได้อย่างนีลาดูฟังก็เลยจัดการกันเลยไปบินดาบาดก็พูดในลักษณะว่านี่ภิกษุรูปนั้นเนี่ยเขาได้อภินยาหกนะรูปนั้นก็ได้ปฐมฌานนะรูปนั้นเขาได้ฌานสมาบัติเป็นอริยบุคคลขั้นนั้นขั้นนี้อีกผู้หนึ่งก็บอกรูปเนี้ยเป็นอย่างนั้นเห็นธรรมะขั้นนั้นขั้นนี้ คันนั้นคันนี้ก็บอกกันไปตรงๆเลยล่ะว่าตั้งแต่ชานหนึ 4, ่งถึงชาน4รูปขั้นหนึ่งถึงขั้น4มรสีพ้นสวิชาสามพิญญาหกนะไล่ไปตั้งแต่สมาธิและปัญญาในทุกๆขั้นเลยบอกกันตรงๆนะบรารบคนอื่นนี่แหละพอพูดไปอย่างนี้ธรรมบุฟังพวกกระที่อยู่ในลุ่มน้ำวักคุมุธาเนี่ย ก็โอ้รูปนี้ได้ปรสมชาตเหรอโอ้รูปนี้ได้เป็นพระหานเนี่ยโอ๊ยก็เลยแหก่กันเอาอาหารปัจจัยสีลาบสการะอะไรต่างๆมาบำรงบำเรอพวกภิกษุเหล่านั้นตระวงไม่ใช่แค่อาหารเท่านั้นยังเป็นของขบเคี้ยวของลิ้มน้ําดื่มอาหารปัจจัยสีอะไรตัวเองก็ยังไม่ได้กินด้วยญาติพี่น้องของตัวเองก็ไม่ได้ให้ด้วย บอรู้ว่าพวกภิกษุพวกนี้มันมีคุณธรรมอย่างนี้อย่างนี้ตัวเองไม่ได้กินน่ะญาติพี่น้องยังไม่ได้ให้ลูกยังไม่ได้กินโวยยังไม่ได้กินเอามาให้พระก่อนนั้นพระภิกษุเหล่านั้นพอมีอาหารอะไรต่างๆเหล่านั้นกินกันยังเต็มที่เต็มปลื่มเลยก็มีอินทรีย์ผ่องใสมีใบหน้าเออบิ่มผิวพันธุ์ผุดผ่องพันพันศา น, นั้นไปได้อย่างสบายสบายใ น, น, น, นทางที่ทั่วชมพูทวีปเนี่ยเขา อดอยากปากแห้งกันมีตู้พิกัยกันมีโรคภัยไข้เจ็บต่างๆแต่ภิกษุพวกนี้มีอาหารกินอย่างสบายๆโดยการอวดอุตริมนุษธรรมของกันและกันให้เราเครือัดฟังทีนี้พอออกปัรษาแล้วตุกฝังก็เป็นประเพณีที่จิตของหมู่ภิกษุที่อยู่ในสมัยที่พระพุทธเจ้ายังมีพระชนอยู่เนี่ยพอออกรรษาทาความเพียรจากที่ไหนๆแล้วก็จะมา พบพระพุทธเจ้านักเล่เาภิกษุทั้งหลายก็มาพบกันจากกราชรุคฤบ้างจากสาวัตถีบ้างจากที่ไหนๆก็ต่างเดินทางกันมาหมู่ภิกษุที่อยู่ฝั่งแม่นะ้าวักคุมุทานี้ก็เดินทางไปพบพระพุทธเจ้าด้วยเหมือนกันตอนนั้นพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่เมืองไวสาลีก็ไม่ไกลกันนับปรากฏว่าพอหมู่ภิกษุไปพบพระพุทธเจ้าแล้วก็เจอกันล นักพิสูกรูปนั้นเป็นยังไงพิสูกรูปนี้เป็นยังไงเห็นหน้าค่าตากันท่านดํารงชีวิตอยู่ได้อย่างไรนําปรากฏว่าในปีนั้นดำรงฟังในปัญษานั้นเนี่ยเอ่อพวกพิกษุอื่นๆเนี่ยก็ผอมแห้งกันหมดเลยมีความสูผ้ผอมมีผิวพรรณหมองคล้ำสีดเหลืองตัวนี่ขึ้นเอ็นไปหมดพูดง่ายๆก็เห็นแต่สีโครงนับเพราะว่าทุพพิกระไพ่เนี่ยมันกว้างขวางไปทั่วชมพูทวีป เแต่ว่าทําไมหมู่ภิกษุชาวฝั่งแม่นะ้ําวักกุมูธากลับมีอินทรีย์ผ่องใสมีผิวพันธุ์ปุดผ่องมีใบหน้าอวบอิ่มเขาก็สอบถามกันโ่ oh, ้ท่านอยู่กันยังไงเนี่ยถึงมีความสุขความสําราญมีผิวพันธุ์ปุดผ่องอย่างนี้อยู่ด้วยวิหารธรรมอะไรอยู่กันอย่างไรอันนี้ก็เป็นอริยะประเพณีต้างฟังที่เขาจะสอบถามซึ่งกันและกันถึงความเป็นอยู่ ว่าอยู่กันยังไงอย่างผาสุกไม่ทะเลาะเบาแป้งกันมีความพร้อมป ร, รียงกันมีความร่วมใจกันบินดาบาตลําบากไหมความเป็นอยู่เป็นอย่างไรอันนี้เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าจะสอบถามหมู่ภิกษุที่เดินตามมาพบพระองค์หมู่ภิกษุที่อยู่ริมฝั่งแม่นะ้ําวักกุมูตานี้ก็เล่าให้ฟังทั้งสองฝั่งคือพูดไปตามจริงอะว่าอยู่อย่างไรแล้วก็เล่าให้ฟังว่าพูดอวด อุตริมนุสธรรมของกันและกันนั่นทำให้เขามีความศรัทธาในการที่จะถวายอาหารบิณฑบาตเมื่อกราบทูลเรื่องนี้ให้ทรงทราบแล้วพระพุทธเจ้าก็ตรัสถามต่อบอกว่าพิสุทธ์ทั้งหลายพวกเธอมีคุณวิเศษนั้นจริงหรือไม่นั่นพิกสุทธ์เหล่านั้นก็บอกไม่มีจริงตรงนี้แหละคือประเด็นแต่บ่ังถ้ามีจริงอันนี้คงจะไม่ใช่ปัญหาแต่แต่ว่าในกรณีนั้นพวกพิสุทธ์เหล่านั้น ไม่มีอุตริมนุสตรรมในก้อ น, นั้นพระพุทธเจ้าก็เลยเต็มที่เลยทมาฟังนะเทศให้ฟังนะว่าว่าเป็นโมฆะบุรุษคือพูดง่ายๆคือคนกลวงคนหัวแบบไม่มีอะไรในลักษณะของคำด่าลแล้วนะที่ว่าโว้ยพวกเธอทำอย่างนี้ไม่ถูกไม่ทำให้บุคคลเลื่อมใสนะไม่ใช่กิจของสมณนะทำไม่สมควรเอามีดมาคว้านท้องชำระท้องเนี่ย ยังดีกว่าการที่กล่าวอวดอัตริมนุสธรรมของกันและกันให้กระดออดฟังโดยที่ไม่มีในตนแล้วก็พูดถึงมหาโจร5จําจพวกในเรื่องนี้คราพเจ้าได้เคยนํามาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังละเรื่องของมหาโจรหําพวกโดยปเปรียบเทียบกับหมู่ภิกษุ5พวกที่ทําตัวเป็นโจรก็คือพวกแรกบวชมาแล้วก็คิดว่าจะมาหาลาบปัจจัย4หาบริวาร คือบวชมานี่ไม่ได้ตั้งใจจะเอามรรคผลนิพพานแหละแต่จะมเมาสิ่งนี้อันนี้ถือว่าเป็นมหาโชนพวกที่หนึ่งมหาโจนพวกที่สองนี่ก็คือเล่าเรียนธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วก็อวดอ้างว่าเป็นของตนหรือว่ายกตนข่มคนอื่นอันนี้ก็เป็นมหาชนประเภทที่สองส่วนพวกที่สมนี่ก็คือรู้ธรรมะแล้วอะไรธรรมะแล้วก็โจดคนอื่นโจดเพื่อนผู้ประพฤติประมาจัน ด้วยอาบัตหนักในที่ไม่มีมูลคือโจทย์เพื่อที่จะทำลายเขา น, น, นี่มหาโจนประเภทที่สส่วนพวกที่4นั้นก็คือเอาของสงของวัดนี่แหละเพื่อที่จะสงเคราะห์ประจบพวกกเรื่องในส่วนมหาโจรพวกที่หนี่ก็คืออวดอุตริมนุสธรรมอันไม่มีอยู่ไม่เป็นจริงแมหาโชนประเภทที่หนี้ถือว่าเป็นยอดแห่งมหาโจรไม่ว่าจะเป็นโจรในเทวโลก มนุษยยาโลกในปรมโลกเนี่ยถ้ามีสิ่งมีชีวิตที่เป็นลักษณะนิสัยแบบโจรเนี่ยภิกษุที่อวดอุตริมนุษตธรรมที่ไม่มีอยู่ในตนเนี่ยอันนี้จะว่าเป็นมหาโจรที่ยิ่งกว่าพวกนั้นเปรียบเหมือนกับนายพรานที่ทํากับดักลวงไว้จับนกนําพรางตัวไว้และก็คือเหมือนภิกษุที่พรางความรู้ความเห็นของตัวเองว่าไม่มีพรางว่ามีเพื่อที่จะ เอาลาบปะใจสีเหมือนในปราณพลางตัวเพื่อที่จะจับนกนั้นให้ได้แล้วก็บัญญัติวันนี้เป็นสิกขาบทเป็นข้อปฏิบัติที่ว่าถ้ามีการล่วงละเมิดแล้วถือว่าเป็นผู้ที่ไม่มีสังวาสกับภิกษุอื่นๆเลยคืออยู่ร่วมกันไม่ได้ละถือว่าขาดจากความเป็นพระนั่นเป็นอาบัตเป็นการต้องเป็นการละเมิดชนิดที่เหมือนกับตานยอดด้วนคือหลุดจากความเป็นพระไปเลยนั่นไม่สามารถจะเป็น มาอยู่ร่วมกับภิกษุสงฆ์ทั้งหลายได้นี่คือสิกขาบทที่เรียกว่าปาราชิกในข้อที่4เราจะทําความเข้าใจกับบทเพียญชนะตรงนี้ให้เล็กน้อยท่านผู้ฟังในเรื่องของคำว่าอุตริมนุสธรรมนะรักมากอุตตริมนุสธรรมเนี่ยคือความรู้ความเห็นอย่างประเสริฐอย่างสามารถเหนือกว่าของมนุษย์ทั่วๆไปนะักมนุษย ธ, ธรรมเนี่ยก็คือธรรมของมนุษย์นี่แหละมนุษย์นี่เขาจะต้องเป็ น, ย, นยังไงหน่กก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย มีความเป็นปกติพูดง่ายๆคือมีศีลอะไรที่เหนือจากสีขึ้นไปเนี่ยก็เรียวเป็นของที่เหนือข้นละคำว่าอุตริเนี่ยก็คือเหนือขึ้นไปอุตตริมรุษธรรมก็คือธรรมที่เหนือมนุษย์ตัวตัวไปก็คือเหนือจากสีขึ้นไปในเป็นเรื่องของสมาธิในสิกขาบทข้อนี้นพระพุทธเจ้าบรรลภรมเรื่องของฌานหนึ่งถึงฌานสีรูปฌานทั้งหมดวิชาสามปิญญาหกบปรลรภรมส่วนนี้คือส่วนที่เป็น อุตริมนุสธรรมคือความเห็นอย่างประเสริฐอย่างสามารถเหนือกว่าของมนุษย์ทั่วไปคือเหนือจากศีล น, น, นี่คือพูดถึงความรู้ความเห็นที่เกิดขึ้นในทางพุทธศาสนานี่นะจำไว้นะแต่ในข้อนี้ก็ต้องมีการอวดด้วยแล้วก็น้อมเข้าในตัวด้วยสิก บ, บทในที่นี้ที่จะผิดอาบัติหรือว่ามีการต้องหรือว่ามีการละเมิดในบาราชิกข้อที่4เนี่ยจะต้องรวมถึงการอวดด้วย แล้วก็น้อมเข้าในตัวด้วยนะอวดอุตริมุนุสธรรมน้อมเข้าในตนที่ไม่มีจริงด้วยนะนั่นต้องมี4องค์ประกอบนี้คือ1อวดสองอุตริมุนุสธรรมในตนแล้วก็ไม่มีจริงนสี่ข้อนี้นะถึงจะเรียกว่าต้องอบัตอันนี้นะก็ต้องทําความเข้าใจระหว่างคําว่าอวดกับคําว่าแสดงนะคืออวดเนี่ยคืออาจจะมีจริงหรือไม่มีจริงก็ได้นะคําว่าอวดเนี่ยก็คือ พูดให้ฟังอะว่าฉันมีแต่จริงๆอาจจะมีหรือจะไม่มีก็ได้เพราะว่าไม่ได้แสดงให้ดูแต่ถ้าแสดงให้ดูเลยเนี่ยแสดงให้ดูเนี่ยแสดงว่ามีจริงหรือว่าแสดงให้ดูด้วยมายากนอย่างใดอย่างหนึ่งใช่ไหมการแสดงให้ดูนะ่ยคือจะไม่ได้พูดตรงๆว่ามนะีเช่นบางทีแสดงให้ดูเช่นว่ารู้วาระจิตของคุณอย่างเงี้ยพระบางรูปบางท่านรู้วาระจิตต้องก็พูดให้เลยบอนะาคุณคิดอย่างนี้ อันนี้คือแสดงให้เห็นแต่ไม่ได้พูดว่าฉันมีเจโตปริยญาณแต่นี่การแสดงให้ดูเนี่ยอาจจะไม่มีจริงก็ได้่ในกรณีไหนซึ่นกรณีที่ว่าไปสอบถามก็ามาก่อนว่าประวัติเขาเป็นอย่างนี้ที่บ้านก็เป็นอย่างนี้เขาเคยผ่านเหตุการณ์นี้มานี่มาแล้วก็มาพูดทักเขาดักเขาโดยที่รู้ข้อมูลมาก่อนละอันนี้คือแสดงเหมือนว่าตัวเองมีคุณวิเศษคือเจโตปริยญาณแต่ว่าจริงๆไม่มี นะทำด้วยวิธีการอื่นๆเนี่ยอันนี้คือความแตกต่างกันระหว่างอวดกับแสดงแตในสิ่งค้าบทข้อนี้จะไม่ได้พูดถึงเรื่องของการแสดงนะจะแสดงว่ามีจริงทั้งๆที่มันมีจริงจริงหรือมันไม่มีจริงจก็ตามจะไม่ใช่เรื่องนี้อันนี้เอาเฉพาะอวดเฉยๆทีนี้ถ้าแสดงให้เห็นเนี่ยแล้วแบบว่ามีจริงนะแสดงแล้วมีจริงเนี่ยก็ขึ้นอยู่ด้วยว่าแสดงให้กับใครดูแตถ้าแสดงให้กับกระหดหรือคารวาส มีจริงนะมีจริงนะอันนี้เป็นปาจิตตินัเป็นปาจิตติแต่ถ้าแสดงนะแสดงนะแล้วไม่มีจริงนะอันนี้ก็ถือว่าคุณโกหกนะคุณก็จะไม่ใช่อาบัตข้อนี้เหมือนกันก็จะไม่ใช่บาราชิกจะเป็นอาบัติที่เบากว่าลงไปทีนี้ถ้าบอกว่าไม่ได้แสดงแต่ว่าอวดนะอวดนี่มันยิ่งกว่าแสดงคนระับท่าผู้ฟังคือแสดงให้ดูนี่มันยังมีการเตรียมการต้องใช้ความสามารถไม่ว่าจะมีจริงหรือไม่มีจริงก็ตามนะแต่อวดนี่คือพูดเฉย แล้วก็บอกตรงๆด้วยนะว่าฉันมีคุณธรรมข้อนี้ในชาญสมาธิข้อใดข้อหนึ่งหรือว่าปัญญาอันใดอันหนึ่งแล้วอวดเนี่ยต้องไม่มีจริงด้วยนะท่านบวชคือจริงๆอาบัติในปาราชิกข้อที่4เนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายที่มันจะเกิดขึ้นได้แต่เพราะหนึ่งต้องอวดด้วยไม่ใช่แสดง2ต้องเป็นเรื่องที่ตัวเองไม่มีจริงด้วยแต่ถ้าสําคัญว่าตัวเองได้แนะต่ตนนั้นที่ตัวเองไม่ได้อะแต่คิดว่าตัวเองได้ตัวเองมี แล้วพูดอวดขึ้นมาอย่างเงี้ยโดยที่ไม่ได้พิสูจน์ให้เห็นตามให้เห็นเนี่ยก็ถือว่าไม่เป็นนาบัดเหมือนกันเแต่จะบอกว่ามันจะยากก็ยากอยู่แต่ตอนนี้มันก็จะมีอยู่จุดหนึ่งที่บางทีพูดเล่นขึ้นมาอยงเช่นมีภิกษุพูดขึ้นมาว่าเออฉันได้ฌานหนึ่งนะหรือฉันบรรลุเป็นพระอาหารหัแล้วภิกษุอีกุูปหนึ่งก็ไม่อยากจะน้อยหน้าเนี่ยฉันก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าพูดขึ้นมาแค่นี้ภิกษุรู้ที่ว่าพูดว่าฉันก็ได้ขึ้นเหมือนกนันนี่คือพูดเล่นพนีพร่อ เป็นเท็พเปล่าๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นอาบัติราชิกเลยนะคือพูดพร้อยๆขึ้นมาว่าฉันก็ได้เหมือนกันแค่เนี้ยคือถือว่าคุณมีจิตที่จะอวดแล้วไงแต่จริงตัวเองไม่มีคุณหนึ่งก็พูดว่าเขามีอ่ะเขมีจริงไม่มีจริงเขาว่ากันไปก่อนแต่คนที่พูดว่าฉันก็มีเหมือนกันแต่เขาไม่มีใช่ไหมการพูดอวดเล่นๆอย่างเงี้ยพูดว่าพูดพร่อยๆพูดเล่นๆจะมาแก้ตัวภายหลังโอ้พูดเล่นเฉยๆอันนี้ก็ไม่ได้นัถือว่าคุณเป็นปาราชิกทันที เพรฉะการที่จะมาอวดนะคือพูดอวดนะไม่ได้แสดงนะพูดอวดคุณวิเศษใดอันหนึ่งเนี่ยมันเป็นความเฉียดมากๆนะบูฟังเฉียดในการที่จะเสี่ยงต่ออาบัตในข้อ น, นี้นะจะมีจริงก็ยังเป็นอาบัตปาจิตตีนะถ้าไม่มีจริงนะพูดตรงๆเลยเนี่ยอันนี้ก็เป็นประราชิกแน่นอนทีนี้ในการแสดงนะที่ข้าพเจ้าแยกไว้เมื่อสักครู่เนี้ยว่าถ้าเป็นการแสดง เช่นบาแบบมาพูดให้ฟังเลยว่าคนนี้เขาเกิดเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้คือแสดงให้เห็นละ น, นไม่ได้บอกว่าตัวเองมีบุคเิคนิวาสานุสติญาหรือจตุป ป, ปัตยานอย่างไรแต่แสดงให้เห็นละทีนี้ไอ้ที่แสดงเนี่ยอาจจะมีจริงๆริหรืออาจจะคิดเอาเองอันนี้จะนอกเหนือจากสิกาบทนี้ละจะไม่ได้เป็นอาบัตในปาราชิคข้อที่4และรายละเอียดในปาราชิีในข้อที่4นี้ธรรมบุฟังก็ยังต้องเจาะลงไปในเรื่องของรายละเอียดที่ว่า บอกกับตัวเองหรือบอกกับคนอื่นนะซึ่งต้นบัญญัติในสิกขาบทข้อนี้คือปรารบคนอื่นนะตามวังปรารบคนอื่นคือไม่ได้น้อมเข้าสู่ตัวเองนะไม่ได้น้อมเข้าสู่เองคือถ้าผิดเต็มที่เลยเนี่ยคือน้อมเข้าสู่ตัวเองบอกตรงๆแล้วตัวเองไม่มีด้วยแล้วก็มีเจตนาอวดด้วยเนี่ยคนอื่นจะฟังเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็ตามถือว่าต้องอาบัติปา ร, ราชิกทันทนะีแต่ถ้าพูดเข้าคนอื่น พูดตรงๆอะเช่นถ้าข้าพเจ้าบอกว่าภิกษุกอไก่นั้นเป็นพระอรหันแล้วแต่ข้าพเจ้าพูดอย่างนี้นะคือพูดตรงๆเข้าคนอื่นถ้ามีจริงนะไม่มีปัญหาถ้ามีจริงไม่มีปัญหาคือไม่เป็นอาบัติอยู่ละแต่ถ้าไม่มีจริงนภิกษุกอไก่นั้นไม่ได้เป็นพระอรหันน่ะอาจจะเป็นแค่พระโสดาบันถ้าไม่มีหรือมีไม่เท่า่ถ้าเข้าคนอื่นนะก็เรียกว่าไม่เป็นปาราชิกนะปาราชิกเนี่ยต้องเข้าตนเองนะ แต่ถ้าบอกเข้าคนอื่นอันนี้ก็เป็นอาบัตที่ต่ากว่าลงมานั่นก็เรียกว่าอาบัตตุนละใจแต่ถ้าพูดเข้าตนเองในราเรียมมันจะมีตรงนี้ตั้าบ่วงถ้าพูดเข้าตัวเอ ง, นะเ ง, เเองแล้วพูดแบบเรียบเรียบเคียงเคียงด้วยเจตนาที่อวดด้วยนะแบบตั้งใจว่าจะให้คนอื่นเขารู้ว่าฉันมีอุตตริีมรัตธรรมนะ่ะแล้วไม่มีนะแต่พูดเรียบเรียบเคียงเคียงเฉยเไม่ได้พูดตรงๆนะเช่นว่าพิกษุรูปหนึ่งเป็นแผลเจ็บมากเลย แต่มีทุกขเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งมีคนถามว่าโอ้ท่านเจ็บไหมเนี่ยท่านเจ็บไหมพิกุุรุ่มนี้บอกว่าโอ้ปูดุชนเนี่ยทนไม่ได้หรอกแต่พูดอย่างนี้ใช่ปะ่ะก็เพื่อต้องการบอกว่าฉันเป็นอริยะไงแต่ลักษณะการพูดอย่างเนี้ยถือไม่ได้บอกตรงๆว่าฉันเป็นอริยาเจ้าแล้วนะแต่ว่าพูดเรียบๆ เ, เคียงๆว่าปูดุชนทนไม่ได้หรอกแต่ฉันทนได้นี่ใช่ไหมฉันทนได้ฉันก็ต้องเป็นพระอริยะแต่ว่าตัวเองยังไม่ได้เป็นพระอริยาเจ้าในกัณฑใดขัณฑหนึ่งเนี่ยแต่มีเจตนาอวดวว่่่าาาาให้้้เเเเรรูฉันนนป็อิจี พเรียบๆเขียงๆนะเข้าสู่ตัวเองนะไม่มีจริงด้วยนะมีเจตนาอวดนะคนฟังจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็าตามอันนี้จะยังไม่ใช่อับัติประรชิกนะจะเป็นอับัติที่ต่ํากว่าลงมาก็เรียกว่าถุนละใจในอับัติข้อนี้ท่านฟังยังมีรายละเอียดนอกจากการพูดตรงๆหรือพูดเรีบๆเคียงเข้าใส่ตัวเองหรือว่าปรารบคนอื่นนั่นจะมีจริงหรือไม่มีจริง น, นด้วย พูดพล่อยๆพูดเล่นๆ เ, เอาหรือว่ามีเจตนาะอวดหรือว่าสําคัญผิดแล้วเนี่ยยัมีเรื่องของคนฟังด้วยว่าเขาเข้าใจหรือไม่เข้าใจแตนะ่เพราะมันยังมีบางส่วนน่ะเช่นมาถ้าคนฟังในะบางกรณีจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจเนี่ยก็ถือว่าผิดในบางกรณีจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็ตามก็ถือว่าไม่ผิดในแต่บางกรณีต่อเมื่อเข้าใจเนะี่ยถึงจะเป็นอบัติประชิกถ้าบางทีเขาไม่เข้าใจคนฟังไม่เข้าใจเนี่ยก็ไม่เป็น นึ่งก็จะมีกรณีที่เป็นอย่างนี้ด้วยเหมือนกันเราก็ต้องมาดูกันในรายละเอียดนต่บางทีการทําข้อวัดปฏิบัติอย่างได้อย่างหนึ่งนะเพื่อที่จะให้เขามานับถืออย่างเงี้ยการทําตรงเนี้ยพี่จู่บางรูปมีความเห็นว่าโอ้ยฉันสงสัยต้องอบัตป ร, ราชิกแล้วแต่นะเพราะว่าฉันแบบมาทําฟอร์มนั่งสมาธินะเดินจงกรมหรือว่าวินดบาบะโชว่วาเออฉันปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบนะอันนี้ยังไม่ถือว่าเป็นอ ბ ัตป ร, ราชิกในะต้องระวงนะเพราะว่าไม่ได้พูดตร ง, ตรง แล้วก็ไม่ได้พูดเล็บเคียงด้วยนะแต่ว่าทําให้ดูในที่นี้ทําให้ดูแต่ถ้าทําด้วยความปรารถนาจะให้เขายกย่องนะปรารถนาลาบสาการาเสียงสรรเสริญเนี่ยก็ยังเป็นอาบัติอย่างอื่นที่เบาลงมานเะบาลงมาในเรื่องราวรายละเอียดที่มีเพิ่มเติมงนะเช่นกรณีที่ท่านพระมหาโมกขลนะเห็นเปริบ้างเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้บ้างเนี่ยเมื่อดีก็ถูกเขาโจย บ, บางกันว่าโอ้นี่ อุตตริมรุสธรรมอนะนี้คือมีจริงไงท่านพระมหาโมกขละนะท่านเห็นจริงๆริงพระพุทธเจ้ายืนยันรับรองอันนี้ก็จึงไม่เป็นอาบัติเพราะฉะนั้นอุตตริยมุสธรรมธรรมบวชมันก็ไม่ใช่ว่าจะต้องอาบัติปา ร, ราชิกในข้อนี้กันได้ง่ายๆแต่เนพะราะว่าก็ต้องมีรายละเอียดที่ข้าพเจ้าว่าไปว่ามีจริงหรือไม่มีจริง น, น, น้อมเข้าในตัวหรือว่าน้อมเข้าคนอื่นพูดตรงๆหรือว่าพูดเลียบเคียงหรือว่าแสดงให้ดู ดังนั้นในี้ต้องอาศัยการวิเคราะห์ที่มีรายละเอียดรอบคอบรัดกลุมไม่หลาหลวมอย่างนั้นก็ตามข้อสังเกตอันหนึ่งในสิกขาบทปราชิกในข้อที่4นี้นั่นคือหมู่ภิกษุที่อยู่ในลุ่มน้ําวักคุมุทาเนี่ยท่านก็ไม่ได้น้อมเข้าสู่ตัวไม่ได้น้อมเข้าสู่ตัวแต่ว่าน้อมเข้าคนอื่ น, น, นไม่มีจริงนะเพราะฉะนั้นอย่างหนักที่สุดเนี่ยที่จะเป็นไปได้ก็คืออาบัติที่ชื่อวทุนละใจจะไม่ใช่อาบัติที่เป็นราชิก อ ბ ัตุลใจนี้ก็ยังพอแก้ไขได้แตนะ่ถ้าเป็นปราชิกนี่คือเหมือนตานยอดด้วนละแก้ไขไม่ได้พรนะพระเจ้าก็ได้นําเรื่องราวของสิกขาบท4ข้อนี้คือปาราชิกตั้งแต่ในข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3ข้อที่4เนี่ยหมายถึงภูฟังฝั่งกรบละที น, นี้จะมาวิเคราะห์ใน4ีเรื่องนี้เปรียบเทียบกันกนะ็คือถ้าเราพิจารณาดูข้อ1 2 3 4เนี่ยเรื่องของต้นบัญญัติเนี่ยจะเห็นได้ว่าข้อที่4ี่เนี่ยภูฟังพระพระุทธเานี่ติเตียนมากที่สุด ในติเตีมากที่สุดนี้คือหมายความว่าเจตนาของผู้กระทำเนี่ยเพื่อที่จะมีลาบปจัจจัย4ีนักการะเสียงสรรเสริญยือยอ่ออันนี้คือเปรียบเหมือนกับมหาโจรที่สุดยอดเลยแต่ถ้าเราจะเปรียบเทียบกับปารชิกในข้อที่หนึ่งเรื่องของท่านพระสุธินะท่านก็ยังมีเจตนาดีใ น, ในการที่จะให้มีลูกสืบสกุลท่านก็ยังปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบอดีตภรรยาและลูกที่เกิดมาใหม่นั้น บรรลุเป็นพระอาหารหันในการตัดมานะหรือในข้อที่2ท่านพระธนิยะที่มีการไปกล่าวเล่ห์กล่าวอ้างในการที่จะเอาไม้ของพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยก็ไดยเจตนาในการที่จะอยู่ให้เป็นที่เป็นฐานในการที่จะให้มีที่ปฏิบัติธรรมนะเจอปัญหาอะไรมันต้อง4ีห้ารอบก็เลยทำไปอย่างนั้นนะหรือในข้อที่สที่ว่าเป็นการฆ่าตัวเองเพราะว่า เกิดอิดหนาราใจในเรื่องของอสุภกรรมฐานอันนี้ก็ยังมีเจตนาที่ดีแต่ว่าทําผิดพลาดไปนั้นทําผิดพลาดไปทําให้มีการบัญญัติสิกขาบทในข้อนี้แต่ถ้าเปรียบเทียบกับข้อที่4เนี่ยข้อที่4นี้คือเจตนาไม่ดีเลยเจตนาร้ายเลยในการที่จะหลอกลวงในการที่จะให้เกิดลาบปจัจจัยสี่นันถ้าเปรียบเทียบเจตนาแล้วข้อที่สนี้หนักกว่าเพื่อนแต่บางคนอาจจะดูผิวเผินเหมือนข้อที่หนึ่งนี้จะหนักที่สุดแต่ถ้าวิเคราะห์ลงไปในรายละเอียดแล้ว ในความเห็นของข้าพเจ้าคิดว่าข้อที่4นี้หนักที่สุดแ ล, แล้วก็ถ้าเรามาดูทั้งบุฟังในต้นบัญญัติทั้ง4ข้อเนี่ยบุคคลที่เป็นต้นบัญญัติเนี่ยเขาจะแก้ปัญหากันยังไงอย่เช่นในกรณีของท่านพระสุทินะเนี่ยถ้ามารดามาพูดอย่างนี้แล้วก็ควรจะปฏิเสธไปหรือว่าแสดงทําให้มารดาเห็นให้มารดาทราบให้เห็นทําให้มีสตานในคําสอนของพุท ธ, ธะอันนี้ก็จะผ่านปัญหานั้นไปได้ปราชิกข้อที่หนึ่งนี้ก็จะไม่เกิด หรือในกรณีของท่านพระธนิยะที่ไปเอาไม้มาทำกุฏินั้นแต่ถ้ากุฏิของตัวเองถูกลือถูกทุบเอาก็ไปอยู่ที่อื่นซะหรือว่าสมาทานการอยู่ป่าเป็นวัดไปเลยก็จะแก้ปัญหนา น, นั้นได้สิกาบทข้อที่สองปารชิกนั้นก็จะไม่เกิดหรือว่าหมู่พิกษูที่ฆ่าตัวตายเพราะมีความอิดนาระอารังเกียจแต่ถ้าวางอุเบกขาได้ตั้งอยู่ในมรดได้ตรงนั้นในสิกาบทข้อที่3นั้นก็จะไม่เกิดหรือว่าหมูพิกษูที่อยู่ในลุ่มน้ําวัคคูมุทา ที่มีทุพิกัยเกิดขึ้นถ้าอดทนได้อยู่กันตามมีตามได้ไม่คิดไปในเรื่องนอกแนมแบบนี้สิกบทในข้อที่4ี่นี้ก็จะไม่เกิดในอะไรก็ตามก็มีการทําผิดทําล่วงคืออาบัตเกิดขึ้นแล้วเน้นย้ำกันอีกครั้งหนึ่งทั้งผู้ฟังเป็นการสรุปในที่นี้ว่าคำว่าอาบัตเนี่ยหมายถึงการต้องการละเมิดนะถ้าเปรียบเหมือนกับเส้นกรอบขอบของสนามเนี่ยนะถ้าเป็นกีฬาฟุตบอล ลูกฟุตบอลเนี่ยโดนเส้นนิดหน่อยยังไม่ออกไปทั้งลูกเนี่ยก็ถือว่ายังไม่ออกแต่ถ้าเป็นกีฬาบาสเกตบอลโดนเส้นนิดเดียวก็ถือว่าลูกออกจากสนามละต้องเปลี่ยนมือละในคะำว่าอาบัตเนี่ยแปลว่าต้องก็คือลักษณะนี้เหมือนกันคือโดนกันแล้วในเะหมือนกับว่าคุณทําสิ่งเนี้ยมันเกินขอบเขตของเรื่องของสีแล้วนะคุณถือว่าคุณต้องแล้วในะเป็นการบ่งบอกระ ด, ดับของความผิดเฉยเฉไม่ได้เป็นการปรับโทษนะโทษคุณจะต้องได้รับอยู่แล้วเป็นเรื่องของกรรมที่ไม่ดี นั่นคือความร้อนใจผิดสรีมันก็มีความร้อนใจเป็นธรรมดา น, นี้เป็นกรรมเป็นโทษเป็นวิบากที่จะต้องได้รับอยก่ละคำว่าอาบัตินั้นไม่ใช่หมายถึงว่าต้องรับโทษนี้เท่านี้ัแต่เป็นการบ่งบอกถึงระดับของความผิดที่เพื่อให้รู้ถึงระบบที่ถูกต้องในการแก้ไขใ น, นซึ่งระดับของความผิดที่แก้ไขไม่ได้เลยก็เรียกว่าปาราชิกแปล ว, ว่าผู้ผพ่ายแพ้นั่นคือกาดจากความเป็นภิกษุเลยตั้งแต่ที่ตอนกระตำ น, น, นั้นในขั้นถัดมา ก็ชื่อว่าอาบัตสังการที่เษนะแก้ไขได้แต่ว่าจะต้องให้สงฆ์มาช่วยในการแก้ไขนะมูภิกษุเกินกว่า20รูปขึ้นไปมาช่วยในการแก้ส่วนอาบัตหรือการต้องนะระบุความผิดประเภทที่ทุลใจันะนี้คืออาบัตที่พอแก้ไขได้นแะปลว่าการกระทำอันชั่วหยาบที่หยาบคายนะก็พูดง่ายๆก็ถือว่าถูกติเตียนละจะทําให้คนที่เห็นเนี่ยเขาไม่เลื่อมใส ผู้ที่เลื่อมใสยอยู่แล้วก็จะกลายความเลื่อมใสลงนี่คือลักษณะของทุลและใจแต่ถ้าตามลงมากว่านั้นก็เรียกว่าปาจิตตีป่าจิตตีนี้คือทาให้ความดีงามของบุคคลนั้นตกลงไปทํำให้กุศลธรรมนั้นตกล่วงลงไปแต่ที่น้อยกว่านั้นลงมาอีกก็เป็นอบัติที่ชื่อว่าทุ ก, กตะหรือทุกกฏแปลว่าอาบัติที่ทําไม่ดีไม่เหมาะสมไม่ถูกต้องในเรื่องของอาจาระเรื่องของมารยาทและโคจร ที่ตามลงไปกว่านั้นก็จะเป็นเรื่องของทุพภัสสิตเป็นเรื่องของการพูดที่ไม่เหมาะสมหรือเป็นอาบัติที่ชื่อว่าปาติเทสนิยะคือต้องมีการแสดงขื่นเทนบุฟังทราบเป็นเบื้องต้นในระบบของอาบัตหรือระบบของการบ่งบอกถึงความผิดในเรื่องศีลของพระภิกษุเพื่อเป็นเกณฑ์ในการที่ให้พระภิกษุนั้นจะแก้ไขปรับปรุงตัวเองได้อย่างไรในระบบของสีนั้นแล้วก็เรื่องของอาบัตินี้เทนบุฟัง เป็นสิ่งที่เพื่อจะตรวจสอบตัวเองแล้วก็ตรวจสอบผู้อื่นนั่นคือมีการตรวจสอบกันเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะให้ธรรมวินัยนี้เพื่อให้ศาสนานี้ตั้งอยู่คงอยู่ได้เพื่อจะแก้ไขปรับปรุงตัวเองและหมู่คณะนั้นให้ดีขึ้นไปแต่เจตนาของอาบัตที่พระพุทธเจ้าบัญญัติขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่เพื่อให้โจทย์คนนั้นคนนี้แต่ถ้าโจทย์กันด้วยอาบัตหนักนี่ถือว่าเป็นมหาโจทย์ด้วยซ้ําแต่ว่าให้มีการที่จะคอยตักเตือนกันบุคคลที่รับฟังคาตักเตือนนั้น ก็ให้มีการรับฟังคําตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นนะให้มีจิตตั้งไว้ให้ดีในการที่จะให้บุคคลอื่นนั้นเขาออกจากอาบัตแลนะมีความบริสุทธิ์ในการปฏิบัติได้นะนี้ก็จะเป็นเจตนาที่ถูกต้องของการที่พระพุทธเจ้านั้นบัญญัติเรื่องของอาบัตบัญญัติเรื่องสิกขาบทต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาแล่วันนี้ท่าผู้ฟังเวลาหมดแล้วข้าพเจ้ า, า, าพระมหาไพบูุญอภิปุณโญก็ได น, นําเรื่องของอาบัตปาราชิกในข้อที่สี่ หมายทัง้งังได้ฟังกันสุขาบทที่พระพุทธเจ้าได้บัญญัติไว้ในที่นี้นั่นก็ว่าเป็นภาษาบาลีที่พระภิกษุจะเอามาสาธยายกันในทุกๆ15วันหมาให้ฟังกันในการที่จะลงปฏิโมกเนี่ยมีภาษาบาลีดังนี้นักบวชเจ้าก็จะพูดคาแปลให้ฟังด้วยโยบนาภิกขุอนะพิชานังอุตตริมนุสตัมังอัตุูปนาญิกังอารามะริยะญาณัสสนางสมุดาจริยะ อิติจานามีอิติปัสามีติตโาโตอะปารีนัสมะเยนัสสมนุกายยะมโนวาอะสมนุกายยะมโนวาอาบนโนวิสุทาเปโขเอวังวดเดยะอาจานเมวังอุบุโซปจังจานามีอปสั่งปสังปสามีตุชั่งมุสซาบีลาปินติอัญญัตระอาทิมานาอายัยมบีปาราชิโกโหติอสั่งบาโซอันึง่งภิกษุใดไม่รู้เฉพาะกล่าวอวยอุตตริมรุสตธรรมอันเป็นความเห็นอย่างประเสริฐอย่างสามารถน้อมเข้าในตัวบ้าข้าพเจ้ารู้อย่างนี้ข้าพเจ้าเห็นอย่างนี้ เรื่องสมัยอื่นแต่นั้นอันผู้ใดผู้หนึ่งถือเอาตามก็ตามไม่ถือเอาตามก็ตามก็เป็นอันต้องอาบัตแล้วมุ่งความหมดจดจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าในท่านข้าพเจ้าไม่รู้ได้กล่าวว่ารู้ไม่เห็นได้กล่าวว่าเห็นได้พูดไปร่อยเป็นเทพเปราปลาเว้นไว้แต่สําคัญว่าได้บรรลุแม่ปิกสูรนี้ก็เป็นปาราชิกไม่มีสังวาสแล้วก็พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ทั้งูุฟังข้าพเจ้าพระมหาใบาบุญอาพี่ปุณโนจากวัดป่าดอนหายโศกเจดันพร